ทุกอย่างมีความหมายในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทุกเวทนาอัตุกรมสุขเวทนาย่อะๆสามอย่างใช่ไหมพอไปแยกเป็นสุขเวทนาที่อาศัยเหยื่อก็มีสุขเวทนาที่ไม่อาศัยเยื่อคความสบายใจที่อาศัยการได้กระทบก็มีนะสนิทนัศนสัพปิคาธรร ม, มานว่า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 และความไม่แยบขายตรงนี้เองเป็นอาหารของอวิชชาอ่ามันมีอาหารนะเพราะความไม่แยกขายอวิชชาจึงได้อาหารและอวิชชาได้อาหารก็จะเป็นอาหารอวิชชาก็เป็นอาหารของดันหาพอดันหาได้กำลังมากๆกก็เป็นอาหารของอุบาทานอุปาทานได้กำลังมากมาก็เป็นอาหารของกรรมกได้กลังมากมาก็เป็นอาหารของกิเลสกิเลสได้กำลังมากเป็นอาหารของ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 พอไปเรื่องจิตท่านแยกเป็นทั้งอะไรสาราคังวีตราคังสะโทสังวีตดโทสังสะโมหังวีตะโมหังสังหิตังวิขิตังมาคัตตาอามาคัตตสอุตรังอนุตรังสมาหิตังอสมาหิตังวิมุตตังอวิมุตติวาระของจิตละเห็นหม ทีวมามีกี่ถึงสิบหกขณะว่าแต่สิบหกนี้รวมแล้วเหลือสามคืออันไหนที่เป็น ส, สราคังวาสะโทสังวาสมูหังวาสังหิตังวิกิตังอ า, อามหกะตังอนุตตรังแล้วก็อาสมาหิตังอวิมุตตังพวกนี้เป็นฝ่าย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 แต่ถ้าเราไปสนใจนละเอียดสูง น, นี่เราปฏิบัติไม่ถูกสับสนใช่ไหมท่านก็ย่อเหลือให้สันส้นที่สุดเวทนาที่ขยายไป็นวิีขีดเป็นทั้งท่างี่สิบแปดขนาดมาเล่าเหลือสามใช่ไหมเริม่มเลยสุขขังเวทนานังทุสุขขังทุกข์ขังสุ ข, ข์มัสุ ข, ขังส า, งขขางมิสังนิลามิสังไปเรื่อยไปถึงสิบแปดขณะยอ่อเหลือสามคือเวท น, นานี่บางครั้งเราก็ดูที่ว่าตายหมดเราที่หมดที่